ผู้สูงวัยนะมาสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมกันเยอ ะ, อะผู้สูงวัยนี่กว่าจะมาถึงจุนนี้ได้ก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะได้ทําอะไรต่างๆมากมายในชีวิตทั้งการเลี้ยงชีพการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างบ้าน บางคนก็เคยผ่านการทําไร่ทํานาทําสวนมาแล้วและตอนนี้ก็าจะ ก, กําลังเลี้ยงหลานนะหลังจากที่ได้เลี้ยงลูกมาจนโตเราทําอะไรไมาเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เรืองทําให้พอนะก็คือการทําใจช่วยของเราเกิดทั้งช่วยนี้ก็ ทำงานทำงานทำงานรวมทั้งทำนั่นทำนี่แต่ว่าเรื่องทำใจอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่จริงพูดถึงประสบการณ์ของพวกเรานี่มันเป็นต้นทุนที่อุดมนะเป็นต้นทุนที่อ่มากมายที่สะสมไว้นะตลอดวันเวลาที่ผ่านมา ประสบการณ์เรานี้เป็นทุนต้นทุนที่ดีมากสาหรับการทาใจนะเพราะเราได้ผ่านโลกผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงของผู้คนจากจนแล้วก็รวยจากรวยแล้วก็จนหรือว่าจากเด็กเป็นหนุ่มสาวแล้วก็แก่ มองกดไม่ทันได้แก่ไม่ทันได้หนุ่มด้วยซ้งก็ตายเราได้ผ่านทั้งความสาเร็จและความล้มเหลวได้ผ่านทั้งชีวิตขาขึ้นนะแล้วก็ขาลงเอาสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นต้นทุนที่เอื้อต่อการทาใจหรือเพราะการทาใจปล่อยวางนะแต่จริงทาใจ ม, มันมีความหมายมากกว่านั้นนะพวกเราเนี่ย ถ้าพูดนึงวัยเนี่ยก็เรียกว่าสูงวัยแต่มองในอีกแง่หนึ่งนะก็ถือว่าเป็นวัยขาลงนะอายุอามากขึ้นแต่อย่างอื่นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปหมดเช่นกำลังวังชาทรัพสมบัตินะบางอย่างที่เคยมีเช่นตำแหน่งบริษัทบริวารก็ตอนนี้ก็ไม่มีหรือลดน้อยถอยลง เขาเรียกเราอย่างยกยองว่าสูงวสูงวัยนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นวขาลงยิ่งจำเป็นนะที่จะต้องทาใจให้มากขึ้นเพราะว่ากำลังวังชาเราก็ลดน้อยถอยลงนะเงินทองก็น้อยลงนะมันไม่พังพร้อมบริบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนถ้าว่าไม่รู้อยากทาใจนะก็จะเป็นทุกข์ กรุ่มอกกลุ่มใจโดยเฉพาะเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์สองาทิตย์ก่อนนะช่วงวันตรุษจีนนี่ก็มีลูกหลานพาญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาอายุเจ็สกว่าเรียกว่าเป็นข้าบาดีหรือเศรษฐีก็ได้ก็คือร่ำรวย แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังาทาธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจาัดสรรต้นเรือประสบความสำเร็จนะชีวิตนี้นี่ก็เรียกว่าพัางพร้อมอไปรือบูนไปแทบทุกเรื่องการงานก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จลูกก็เป็นคนดีนะมีฐานะที่มั่นคง เป็นหมอก็สองคนนะเป็นเนกเทศมนตรีก็อีกคนหนึ่งไม่มีลูกคนไหนที่น่าเป็นห่วงนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านป่วยนะเป็นโรคพากินสันตอนที่มหาตมาเนะี่ยที่วัดป่ามหาวันก็ก็ต้องนั่งรถเข็นมา พากินสามนี่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับประสาทนะโดยเพราะกล้ามเนื้อพูดก็ไม่ชัดในบางครั้งมือไม้ก็อาจจะสั่นในบางทีเดินก็ไม่สะดวกเอาสนทนาไปสนทนาม า, าผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ตัดพ้อขึ้นมาว่าทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ฉันทำผิดอะไร นะจึงต้องมาป่วยแบบนี้เอาธมาก็ตอบทันทีว่าทําผิดแน่นอนไม่ได้ไหมายถึงทําผิดในชาติที่แล้วนะไอชาติที่แล้วเป็นอย่างไงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แล้วทําผิดอะไรก็ทําผิดตรงที่ว่าร่างกายมันเคยเตือนแล้วมันเคยเตือนว่าทํางานหนักไป ต้องพักผ่อนสัหน่อยมันเตือนมาหลายปีแล้วนะไอเตือนตาตอนอายุหกสิบเพราะว่าเสียที่นี่ท่านนี้ท่านทางานเยอะนะขี้ดูเซขนาดเจ็ดสิบกว่าแ ล, วแล้วป่วยนี่ยังไม่ยอมวางเลยก็ยังทํา ง, งานนั่นแหละแล้วลยิ่งถ้าตอนอายุหกสิบเนี่ยย้อนหลังถอยหลังไปสิบปีสิบห้าปีนี้่นะคงจะทําหนักยิ่งกว่า น, นี้คงจะไม่ได้พักผ่อน ร่างกายมันบอกร่างกายมันเตือนร่างกายมันวิงวอนว่าพักสักทีพักสักทีก็ไม่ยอมฟังบนสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนี้ไงป่วยนะแต่ป่วยเนี่ยนะก็เป็นการวิงวอนร้องขอหรือส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งของร่างกายว่าพักได้แล้วพักได้แล้วก็ขนาดป่วยเงี่ยไม่ยอมพักเลยอันนี้แหละเรียกว่าทำผิดนะ คือไม่ยอมฟังเสียงร่ำร้องเสียงวิงวอนหรือสัญญาณเตือนของร่างกายอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจในมุ่งหวังความสำเร็จหรือว่าเอาเงินเอาทองเป็นสรนาหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาหรือว่าปีชงอะไรนะมันเป็นเรื่องเพราะว่าไม่ฟังคำเตือนคำขอร้องของร่างกายจนกระทั่งเป็นพากินสัน แลนี่ก็เป็นคำเตือนอีกครั้งหนึ่งะว่าหยุดได้แล้วนะถึงเวลาพักผ่อนถึงเวลามีความสุขกับครอบครัวได้แล้วนะก็ยังไม่หยุดนะอาตมาก็พูดให้ได้คิดและผิดอีกข้อ น, นึงก็คือไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้นะร่างกายนี้เนี่ยมันก็เช่นเดกับสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงก็คือมันไม่เที่ยงนะมันย่อมมีวันเสื่อมสลาย คร น, นี้ไปไปคิดไปยึดในสิ่งที่มันสวนทางกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือทุกอย่างไม่จีรงังทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่ไปยึดให้มันเที่ยงไปยึดไปอยากให้ร่างกายที่มันเที่ยงครั้นี้พอมันป่วยเขาก็เลยเป็นทุกข์อันเนี้ยอันนี้ก็ผิดอีกข้อหนึ่งนะก็คือว่าวางใจผิด ผิดข้อแรกคือว่าไม่ฟังเสียงร้องเสียงเตือนของร่างกายผิดข้อที่สองคือวางใจผิดไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นการพูดตรงๆนะโยมคงจะได้คิดเหมือนกันนะนะไม่เกี่ยวกับทำกรรมชาติที่แล้วเลยนะมันเกี่ยวกับกรรมในชาตินี้แหละที่ไม่ไม่ับไปไม่ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคือเอาแต่ทำนะ ทำทำทำทำทำงานนะแต่ว่าวางใจไม่เป็นนะทำใจไม่ถูกนะฟังดูนะเสรษที่นท่านนี้ก็มีความทุกข์นะรู้สึกว่าชีวิตของเรามันมันย่ำแย่อาตมา ก, ก็บอกว่าเนี่ยหนโยมลองมองให้ดีเสว่าในชีวิตนี้เนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้เนะี่ยโยมเนี่ยมีโชคยังไงบ้างโยมก็ถึง่าได้แค่อย่างเดียวก็คือว่า งานการธุรกิจนะประสบความสำเร็จอาตมาก็เลยเติมไปข้อหนึ่งว่ า, เ, าเราโชคดีนะที่ลูกเนี่ยนะได้ดิบได้ดีกันทุกคนถามต่อว่าลูกมีใครตายไหมไม่มีใครตายยังอยู่กันทุกคนป่วยไหมไม่มีใครป่วยเป็นมะเร็งไม่มีใครป่วยเป็นโรคร้ายอา่านี่ก็โชคอีกถามว่าสามีตายยังยังไม่ตายอา่านี่ก็โชคอีก โยมมีอายุยืนมันก็ถึงแค่นี้นะจสึกกว่าเนี่ยถือว่าเป็นโชคั้มโอ้โชคเหมือนกันก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันนับดูเนี่ยนะโยมเนี่ยมีโชคอยู่เก้าอย่างแต่ไม่มีโชคอยู่ยางเดียวคือสุขภาพถ้าเป็นนักเรียนนะสอบก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นะเก้าสิบในร้อยนะอย่างนี้น่าพอใจั้ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ย สอบเนี่ยกี่คนที่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะได้แปดสิบเปอร์เซ็นตก็เก่งแล้วนะนิยมเนี่ยถ้าสอบก็ได้เก้าสิบเปอร์ซนตทำไมถึงไม่พอใจทำไมถึงมาบ่นโวยวายนะตัดเพาะนี่รวมมองไม่เป็นนะก็เรียกว่าทำใจนะไม่รู้จักทำใจนะนะทำใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปล่อยวางแต่รวมถึงการรู้จักมองด้วยนะ ไอ้สิ่งที่มีไอ้สิ่งดีๆที่มีไม่เห็นมองแต่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นความเจ็บความป่วยพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะจึงบอกว่าเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยในวัยนี้ของพวกเราเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนะที่ต้องทำคือทำใจนะทำอะไรมาเยอะแยะนี่ก็ดีแล้วนะเรียกว่าทำกิจ แต่ว่าอย่าลืมนะต้องทำจิตหรือทำใจด้วยเพราะว่าเราอยู่ในวัยขาลงนะอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเก่าทั้งสังขารร่างกายนะทั้งความคิดความจำโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหาแต่ถ้าเราทำใจเป็นนะมันไม่ทุกนะ ร่างกายมันเสื่อมอยู่ในช่วงขาลงแต่ใจมันอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ได้ก็คือว่าแม้ร่างกายจะแก่แม้ใจแ ม, แม้ร่างกายจะป่วยแต่ว่าใจเนี่ยกับดีแช่มชื่อบิกบานสวนกระแสของร่างกายก็ได้ร่างกายมันลงแต่ใจมันขึ้นนโยมเนี่ยทำได้นะล้วต้องทำแล้วควรต้องทาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะอยู่ร้อนนอนทุกข์นะ ทั้งทั้งที่แม้จะมีอะไรที่ยังดีอยู่ยังประสบความสำเร็จดูยัอยู่นะแต่ว่าวางใจไม่เป็นก็ทุกเนะี่ยยังโยมผู้ใหญ่ท่านนี้การที่พวกเรามาวัดนี่ก็ให้ถือว่าเป็นการมาฝึกทำใจนะหลายคนเนี่ยไม่เคยได้มาวัดนะหลวงพ่อพยอมนั้นพูดไว้ไป ไว้สองสามประโยคนั้นน่าสนใจนะท่านบอกว่าเราจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนถามเข้าวัดนะถ้าคนถามเข้าวัดนี่แปลว่าอะไรอ่านะเราจะสวมดมนต์เองหรือจะให้ใครหรือจะให้พระสวดให้เราฟังเสวอกุศลธรรมมาให้เราฟังเราจะพนมมือเองหรือจะให้สัปเะเหรอเนี่ยจับมือพนมนะลองคิดแบบนี้ซะบ้างนะ แต่าล้วก็ตามเนี่ยเข้าวัดแล้วเนี่ยก็ต้องอ่าก็ต้องหาประโยชน์จากการมาวัดนะให้ถูกนะบางคนก็มาวัดนะก็แค่มาทำบุญบางคนหนักกว่า น, นั้นนะมาเพื่อจะมาเอาเบอร์เอาวัตถุมงคลนะอันนี้นะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะแถมได้ความโง่วความหลงเข้าไปอีกแล้วคนพวกนี้นะถ้ามาด้วย ความคิดแบบนี้นะมักจะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อถูกหลอกนะมาาวัตถุมงคลนะก็โดนนะโดนพระมัง่งโดนโยมวัดมั่งหลอกเสียเงินไปเป็นหมื่นบางทีเป็นแสนนะคิดว่าจะได้วัตถุมงคลของดีมาปกป้องนะกลับได้แล้วก็ไม่รู้เสียเงินต่างหาก บางคนก็มาเพื่อเพื่อทําบุญนะแต่ทําบุญก็ต้องมีสติมีปัญญานะเพราะว่าทํามาด้วยศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะถูกเขาหลอกได้ง่ายเพราะว่าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบไปได้วยปัญญามีหลายคนเน่ยนะที่มาวัดหรือว่ามาสํานักปฏิบัติธรรมล้วก็ถูกหลอกไปนะถูกหลอกไปเป็นล้านหลายล้าน เจ้าสำนักจะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีหรือว่าผู้หญิงก็ดีเดี๋ยวนี้มีหลายแบบนะก็มาหลอกว่าเนี่ยนะถ้ามานะบริจาคเงินเท่านั้นเท่า น, นี้จะจะได้บุญนะให้ความศรัทธาประสมกับความโลภนะอยากรวยนะเชื่อว่าถ้าถ้าได้บุญเยอะๆจะรวยนะก็เลยยอมจ่ายยอมเสีย บางทีก็กลัวมาจ่ายยอมจ่ายเพราะความกลัวเขาทักว่าเนี่ยตอนนี้สามีอดวงไม่ดีนะจะป่วยนะเพระภรรยานี่รักสามีมากนะก็ยอมทุ่มเททุกอย่างนะเพื่อให้ดวงหรือเคราะห์ของสามีดีขึ้นนะอา้าวก็เสียเงินไปเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็เรียกว่า มาวัดเนี่ยถ้าถ้าจะถ้าจะมาเอาวัตถุมงคลก็ดีหรือแม้แต่มาทำบุญอยากได้บุญก็ดีมันยังเรียกว่ายังเรียกว่าเป็นการหาประโยชน์จากวัดหรือจากศาสนาเนี่ยน้อยอยู่นะแต่เผลอเสียด้วยนะเสียเงินเสียทองนะหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีมาวัดทั้งทีก็มาเพื่อที่จะได้มาฝึกจิตของเรา ฝึกจิตก็คือการทำใจให้ถูกนะทำใจให้ถูกคือว่ามองนะมองถูกวางใจเป็นนะมองถูกก็หมายความว่าเออมองเห็นว่าทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงนะอะไรๆมันก็ไม่จีรังอ่านะมันไม่สามารถจะเป็นไปตามใจเราได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้อย่างเช่นร่างกายขอยงเราเนี่ยนะถึงเวลามันก็ค่อยๆชาราค่อยๆเสื่อมไปบางครั้งก็เจ็บก็ป่วยอันนี้คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจนลบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนลบความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาตัวหลวงพ่อความตายไปไม่ได้เราจะพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่คือความจริงที่เราต้องมองให้เห็นนะมาว่าเนี่ยจะอย่ามวัวแต่ทำบุญนะหรือว่าทำความดีเช่นรักษาศีานั่นนั้นทำบุญก็รักษาศีลทำความดีนี่ดีแล้วนะแต่มันยังไม่พอนะที่จะช่วยปกป้องใจไม่ให้ทุกข์มันต้องเห็นความจริงอย่างนี้ด้วย เนความจริงนี้แล้วเนี่ยนะเวลาเจ็บเวลาปวยก็จะไม่บน่นบวยว่าทำไมต้องเป็นชันทำไมต้องเป็นชันมีหลายคนเนี่ยนะพอเจ็บปวยเป็นมะเร็งก็ตัดเพาะต่อว่าว่าทำไมนะฉันทำดีมาต้องเยอะทำบุญให้ทานมาก็มากากระถิน่นผ้าป่าฉันก็ไม่เคยเล่าเว้นทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาป่วยอันนี้เราซ้าเติมตัวเองนะทุกครั้งที่ บนบวยวายตีโพยตีแบบนี้เนะี่ยเรียกว่าซ้ําเติมตัวเองก็คือว่าแทนที่จะป่วยแต่กายนะก็กลายเป็นว่าใจก็เป็นทุกข์ด้วยทําไมถึงซ้ําเติมตัวเองก็เพราะว่าไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายนะไปตามธรรมชาติ แล้วเราเป็นใครนะแค่แค่มีศีลห้าแค่ทําบุญแล้วทำไมจึงคิดว่าจะไม่ป่วยหรือว่าอาจจะนึกไปถึงแค่ว่าจะไม่มีวันตายด้วยหลายคนไม่ป่วยนะแต่ว่านะก็กลัวตายนะยิ่งชารายิ่งอายุมาคือเรื่อยๆเนี่ยความกลัวตายนี่มันก็เกิดขึ้นกับจิตใจของหลายคน ทำดีก็ทำดีเยอะแล้วทำบุญก็มากแล้วแต่ว่าพออายุมากนี่ก็กลัวตายเหมือนกันนะนี่เพ่อว่าแหละรพราะไม่ได้ฝึกทำใจฝึกทำใจคือมองเห็นความจริงว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่ยย อ, อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยอมรับได้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายมันจะคุ้นกับความตายมากขึ้นอันนี้เราจเจริญรอนาสติ์อยู่เป็นนิดนะเราถึงความตา ย, ยเป็นประจําเนี่ย มันก็เป็นการฝึกทาใจอีกอย่างหนึ่งนะฝึกให้เรายอมรับความจริงที่แม่จะไม่พึงประสงค์แต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับจงกระทั้งเห็นว่ามันเป็นธรรมดาไม่รังเกียจเดียดฉันมันถึงเวลาตายก็ไม่ทุกข์แต่ก่อนที่จะตายมีความเจ็บความป่วยก็ไม่ทุรนทุราย กายทุกข์นะแต่ใจไม่เป็นทุกข์เนะี่ยเพราะอะไรเพราะฝึกทำใจมาแล้วบางทีก็เป็นทุกข์เพราะลูกหลานนะลูกหลานเขามีปัญหาธุรกิจบางครั้ก็ตกงานหลานนี่สอบเข้ามหาวิยาลัยไม่ได้อะไอความที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่ในอุปการะหรือว่าคนที่เราห่วงใยเยอะ แล้วก็แต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างที่เราปรารถนาหรือว่าดีดังใจเราก็มีคนบางคนก็ไปดีแต่บางคนก็ลุ่มรุมด่ดอนๆอนบางคนก็แยแ่ถ้าเราวางใจไม่เป็นก็ทุกข์นะนี่ขนาดลูกดีหลานดีกันทุกคนเนี่ยนะอย่างตัวอย่างที่ธรมะพูดนี่ก็ยังทุกข์เลยห่วงลูกห่วงหลานนะ ลูกบงคนนี่ก็มาพาแม่อายุเจ็ดสิบกว่ามหาตมาบอกว่าช่วยบอกแม่ทีว่าอย่าห่วงลูกมากนักนะนะเวลาลูกไปไหนนี่ก็ต้องให้ลูกโทรศัพท์มารายงานว่าไปทำอะไรบ้างเวลาลูกไปต่างจังหวัดแม่ก็ทุกข์กังวลนะอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักทำใจนะลูกโตจนอายุสี่สิบห้าสิบแล้วยัง ก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองทั้งที่ตัวเองก็เลี้ยงลูกมาดีนะสอนลูกมาดีอันนี้ว่าทํากิจนะทำกิจก็ทําเต็มที่แล้วลูกก็ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ฝึกทําใจก็เลยเป็นทุกข์แม้กระทั่งใกล้จะตายแล้วเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้มันเหลือน้อยถอยลงไปทุกทีแทนที่จะใช้เวลาแต่และนานทีให้มีคุณค่าให้มีความสุข นะกับเอาความทุกข์มายัดใส่ใจเพราะอะไรเพราะวางใจไม่เป็นนะเพราะไม่รู้จักฝึกทําใจนะเช่นอุเบกขาเร า, เราเราเลี้ยงลูกมาดีนะถึงเวลาเราก็ปล่อยเข้าไปนะเพราะว่าเขาต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราแต่ที่จริงเขาก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีเราแต่บางทีพอมีเราเนะี่ยแหละทําให้เขาอยู่ลําบากเพราะว่า เขาคอยเป็นทุกข์เพราะเราเราเอาแต่ห่วงใเยเรียกร้องเขาให้ต้องมารายงานทุกวันจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไปไกลๆ ก, ก็ไปไม่ได้จะมาวัดปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต้องให้แม่เห็นหน้าทุกคื น, นอันนี้เรียกว่าสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วกกับลูกหลานเพราะความที่ตัวเองทาใจไม่เป็นแทนที่จะ ให้ความรักของเรามันจะกลายเป็นสิ่งที่เชิดชูเร่อเลี้ยงจิตใจลูกให้มีความสุขนะกลับกลายเป็นตัวรัดรึงพัฒนาการทำให้ลูกนี่เป็นทุกข์ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตั้งต้องพาแม่มาหาพระให้พระพูดก็ไม่รู้จะพูดและจะฟังหรือเปล่ามันได้เวลาแล้วนะที่จะต้องทำใจนะปล่อยวางนะเป็นต้นนะ แล้วทำใจอย่างนี้คือการที่เรารู้จักวางใจให้อยู่กับปัจจุบันมั่งอดีตมันผ่านไปแล้วนะปล่อยมันไปซะบางคนก็ยังจิตใจหมุนมัวพ่อหวนคิดถึงแต่ว่าตอนเด็กนี่เราพ่อแม่ไม่รักเรานะเราเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงพ่อแม่นะรักแต่ลูกผู้ชายปล่อยให้เราตกหลกกรรมลำบากเราก็ ปากกัดตินทีฉะนั้นที่อายุเจ็ดสิบแล้วนะครอบครัวก็ดีร่ลำรวยสามีก็ดีลูกก็ดีเป็นคนธรรมะธรรมโมหน้าตาก็ยังหม่นมองเนี่ยนี่เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ยังไม่ปล่อยอดีตให้มันผ่านเลยไปบางคนหนักกว่านั้นนะพื้นเพยก็เป็นคนที่ใสดีมีเมตตาจิตใจอ่อนโยนเอื้อเฟอือกรุณา แต่เวลาพ่อพูดหรือนึกถึงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะโกรธกลาดเกลียวเพราะว่าเคยอุปถัมภ์ค้ำชูเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นความดีของเราเขาไม่สำถึงในบุญคุณของเราหรือว่าเขากับไม่กับทาร้ายเราคือไม่กระตันอยู่นะทรยศหักหลังเนี่ย ก็โกรธนะนึกถึงคนนี้ทีไรก็โกรธโกรธจนกระทั่งนะกลายเป็นคนละคนเลยถามว่าเกิดขึ้นเมนะื่อไหร่น่ะสามสิบปีมาแล้วบางคนก็โกรธสา ม, มีนะสา ม, มีไปมีเมียน้อยนะเอาเงินของตัวเองนี่ไปให้สา ม, มีไปให้เมียน้อยปรนเปลอยแคนสา ม, มี ถามว่าเหตุมันเกิดเมื่อไหร่นนสามสิบปีมาแล้วก็ยังหมกมุ่นคุนคิดอยู่กับเรื่องเนี้หาความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้ทั้งเที่ยงที่กำลังจะตายอยู่แล้วนะควรจะใช้เวลาที่มีเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยเพื่อการนะทำใจให้มีความสุขจนะกลับหาเรื่องทุกมาใส่ใจนะเพออะราะหะายใจมันไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตลูกนะก็สงสารแม่นะเป็นห่วงแม่ว่า ถ้าแม่เป็นอย่างนี้แล้วเกิดตายขึ้นมาตอนที่จะโกรธเนี่ยตอนที่ยังมีจิตคิดเพยาบานี้ลูกแม่คงไปอาบายพยายามขอให้แม่หนีให้อภัยแม่ก็ไปโกรธลูกอีกนะหาว่าลูกนี่ไปเข้าข้างไปเข้าข้างมันนะไม่เข้าข้างแม่อันนี้ก็วางใจผิดอีกเหมือนกันนะมองผิดนะพอมองผิดเข้าก็เลยเกียดคนนึ่ไปทั่วเลยทั้งที่ก็ปรารถนาดี เพราะนันเนยคนที่ทคนที่มีวัยอย่างเราเนี่ยที่จริงมันก็ต้องทุกวัยเลยนะไม่ใช่เฉพาะอา่ผู้สูงวัยหรือแม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็ต้องรู้จักนะทําทําใจด้วยแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นผู้สูงวัยอย่างเราเนี่ยนะเรามีต้นทุนที่ดีกว่านะประสบการณ์ที่มากกว่าผ่าลมามากกว่านี่มันควรจะทําให้เรารู้จักทําใจได้ดีกว่าวัยอื่น และอย่างเป็นความจำเป็นด้วยนะเพราะว่ากำลังวังชาสังขารร่างกายมันก็เสื่อมไปทุกทีนะทุกอย่างนี่มันอยู่ในในภาวะขาลงหมดนะมันมีแต่ใจนะที่มันยังอยู่ในภาวะที่จะขึ้นได้และใจนี่แหละที่จะช่วยดึงเหนี่ยวนะกายไม่ให้ยำแย่ถ้าใจดีเนี่ยนะเจ็ดสิบปดสิบก็ยังสุขภาพดีนะ เพราะว่าพอใจดีแล้วเนี่ยไอยความเสื่อมของร่างกายมันก็มันก็ชะลอลงถ้าใจไม่โกรธเกลกเียวนะไม่เอาแต่เจ้าอารมณ์เนี่ยนะหัวใจมันก็ดีความดันก็ยังดีหรือว่าไม่เสื่อมเร็วอย่างคนที่ขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยความดันก็ดีหัวใจก็ดีตับก็ดีตายก็ดีดดก็แย่หมดเลยนะ บางทีก็ปวดโ น, โน่นปวดนี่ปวดหลังนะปวดข้อจะ เ, เป็นเก า, เาหนักเข้าไปอีกนะไอ้พวกนี้แล้วมันมีพื้นฐานมาจากจิตใจทั้งนั้นนะคือพอเครียดแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายมันก็รวนไปหมดเลยจริงพอแก่ตัวนี่ร่างกายมันรวนง่ายด้วยแต่ถ้าใจดีนะใจดีเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางมีเมตตากรุณารู้จักให้อภัย รู้จักมองบวกมันก็ไม่มีเรื่องที่จะทุกร้อนมากใจร่างกายก็จะเสื่อมเนาะเสื่อมลงอย่างช้าๆก็ยังสามารถจะอยู่ได้อย่างปกติสุขให้เราถือโอกาสนี้นะมาวัดเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาวัดมาแล้วนี่ก็อย่าคิดแต่ว่ามาสวดมนต์มาทำบุญอย่างเดียวนะ ให้มาฝึกทำใจด้วยโดยพราะการเห็นความจริงของชีวิตนะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยปีนหาปั จ, จเจกเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไขเ้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนะประสบการณ์นะของเรานี่มันเจอความพัดพลาดมาเยอะแล้วน่าจะมีภูมิคุ้มกันนะความทุกข์เวลาเกิดความพลาดพลาดสูญเสีย แั้ถ้าว่าไม่มีไม่รู้จักทำใจนะมันก็ยิ่งเจอความพัดพางมากขึ้นอายุมากขึ้นก็เจอความสูญเสียเจอความตายคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็จะมีแต่แย่ลงแย่ลงแต่ถ้าเราผ่านโลกมาเยอะเราเห็นว่าความพัดพาเป็นธรรมดาความสูญเสียเป็นธรรมดาเราก็ปล่อยวางได้ร่วมเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็เป็นการทำใจอย่างนี้นะคือการม อ, มองเห็นโลกตามความเป็นจริงนะ ไม่มองสวนไม่มองขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกหรือของของชีวิตเนี่ยแล้วจะทำให้ใจสบายเอาคำนี้ก็พูดกับท่านนินนะอ้าวครับครบ